และเถอะจาเละสอมนี้เลยคัดตางคัดปันตางนี้เก่มาอินมวาตุงลำกะเอ็นตัวฮีเก่มาหุ่นากว่ายลายปันหงไปเดียงอฮีเฮียฟันเล่ๆอบอร์ตัวปาเกี่ยงปันอินเก่มาหุนาหงไปฮ